ท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลาย <c oughs> และท่านเพื่อนสาธ ร, รมิกะเวลานี้เป็นเวย์ลาเย็นซึ่งบรรดาท่านทั้งหลายได้พากันทมวัดสุดมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานี้ต่อไปกันหรือเวลาที่เราจิตเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำวันทุกคืนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลายี่สิบนาฬกาตรง พวกเราก็ไปชุมกันเจริญสมถกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานทั้ง น, นี้ก็เพื่อปฏิบัติตามกระแสพระดารัสขององค์สมเด็จพระปิชิตตมารบรมศาสตร์สัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวกของพระองค์ ในการที่เราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าสาวกบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะคําว่าเพื่อนสาธรรมิกในที่นี้หรือว่าเพื่อนสาธรรมิกใก็หมายความว่าเป็นผู้ประกอบพฤติธรรมตามที่องค์สมเด็จโตผู้มีพระป้าเจ้าทรงสั่งสอนเหมือนกัน <c oughs> เราประพฤติร่วมกันก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกัน ถ้าจถในหนึ่งก็เรียกว่าเราทุกคนเป็นสาวกยบุตรพุทธจีนโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่ ค, คำว่สาวกแปลว่าสาวกคําว่าสาวกแปลว่าผู้รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามวันนี้เรามาพูดกันถึงระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจา้า เพื่อการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้ก็จะต้องปฏิบัติกันตามทั้งระเบียบและก็ธรรมะี่เทโววินัยพระธรรมวินัยธรรมะคือคำแนะนำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเอาความดีทางใจ ส่วนพระวินัย น, นั้เนเป็นข้อห้ามที่องค์สมเด็จต่อผู้มีพระภาคเจ้ากันความชั่วไม่เข้าถึงกายวาจาและใจของเราทางสอนราการนี้คณะของเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะที่ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภาพณ์ขอท่านทั้งหลายทางพระก็ดีกร้ว่ายก็ดีเนงก็ดี จงช่วยรักการรักษาศาสนาขององค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงไว้ <c oughs> เวลานี้เราจะเห็นบุคคลส่วนใหญ่ไี้ประกาศว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาแต่ก็นาําเอาโลกธรรมเข้ามายึดถือโลกธรรมเป็นสําคัญคือ ท, ทำประจำโลก รวมความว่าปลารบโลกเป็นสำคัญอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าที่นั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัท <c oughs> ที่ยังมีความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปถือตามนั้นเรามาถือเอาธรรมวินัยเป็นสำคัญดีกว่า บทบรรยัติ ใ, ใดๆที่บุคคลที่ยังมีกิเลสมาสร้างขึ้นคัดค้านคำส อ, สอนของพระองค์สมเด็จพระบรมมโลกเกเชตอันนั้นเราวางไว้เสียแล้วบทบรรยัติ ใ, ใดๆที่เป็นไปก็ตามพระธรรมวินยัยแล้วเขาปฏิบัติจริงจังอันนั้นเราขอยอมรับนับถือ <c oughs> แต่หากว่าบัญญัติใงขึ้นมาแล้วไม่ปฏิบัติตามเราก็ควรจะหันหลังให้ยายเห็นแกบุคคลจงเห็นแก่พระธรรมเวไนเป็นสำคัญเพราะเราบวชกามาในพระพุทธศาสนาก็ดีและบรรดาธนุบาสกุบาศิกา ที่หันหน้าเข้ามาคารบตระพุทธศาสนาก็ดีจงยึดคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินสศีบรมายศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นสำคัญและก็ปฏิบัติตามท่านพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะปฏิบัติตามที่บัณดิตสมัยโบราณท่านประพันธ์เข้าไว้ว่าอิติปิโสพระกวาแปลว่าแม่ เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระผ้าเจา้อาอรหังเป็นพระอหันคำว่าเป็นพระอหันนี่แปลว่าเป็นผู้หมดกิเลสหมดจากความชั่วข้อนี้เราต้องปฏิบัติตามพระองค์ทอย่างไรสอนว่าอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนั้นพระองค์สอนให้วางโลกไรรทำยงจาติดในลาบยศสนเสริญสุข เตออยยงยาวันไหวในการที่ลาบเสื่อมไปยศเสื่อมไปนินทาแล้วทุกเกิดขึ้นเราจงทำใจของเราตามที่พระองค์ทรงสอนล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ช้าเราก็จะเป็นพระอรหันต์ตาม <c oughs> เป็นผู้หมดกิเลสในข้อดีสองสัมมาสัมพุทโธพ ร, ระองค์ทรงตัตรู้เองโดยชอบนี่พระพุทธเจ้าทรงตัดรู้เอง เราเป็นภาษาวกแปลว่าผู้รับฟังและผู้ตัตะรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะถ้าเราจเรารู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะเราจำจะต้องปฏิบัติแบบนั้นเพราะองค์ทรงตัตรู้อะไรมาเรารวบรวมความรู้ของพระองค์ที่มีพระมาหารกรุณาธิคุณสั่งสอนพวกเรามาปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่ช้าเราก็จะรู้ตามท่าน ยิงเรียกว่าอนุพุทธะสามวิชาจรณะสัมปันโนเป็นพูดถึงพร้อมปรฏิวิชาและจรณะหมายความถึงว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาสามคือปุเพนิวาสานุสติยานการละลึกชาติได้และทิพย์ปิยคุยานรู้การเกิดการตายของสัตว์รู้ได้ทั้งหมดเจรณะมีความประพฤติสิบห้าอย่างครบถ้วน สำหรับวิชาสามเจรณะนี้เราทําได้แต่ว่าวิชาสามบรรดาท่านพุทธรบริษัทถ้ามีความสนใจตามนั้นก็ปฏิบัติตามได้เป็นของไม่ยากแต่ว่าเจรณะสิบห้าประการนี่เว้นไม่ได้เด็ดขาดต้องปฏิบัติตามสุขเกโตเป็นผู้สเสด็จไปดีแล้วอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกัน ถ้าเราอยไปทางไหนก็ดีดูลีลายขององค์สมเด็จพระบพีแก้วบรมศาสัญาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนยึดธรรมะเป็นสําคัญเพื่อธรรมะลีวินัยทั้งสองเรือการนี้เราจงอย่าทิง้งใครก็แย่ทอดทิง้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่างแต่ว่าพวกเราจงอย่าทิง้ง เวลานี้พระพุทธศาสนากําลังถูกสั่นคลอนกระเทือนถึงลากแล้วศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วกําลังจะหมดความหมายสําหรับบุคคลบางพวกและก็บางคณะที่ประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กําลังจะขุดลากถอนโคนคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรทิ้งไป สร้างอย่างอื่นขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนั้นนี้พวกเราเป็นพุทธสาวกโคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารับปางเดิพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามจะไปที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามยึดธรรมวินัยเป็นสําคัญแต่เขาจะให้เราละธรรมวินัยเรายอมตายซะดีกว่าอย่าไปปฏิบัติตามเขา ถ้าเราจะเป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยังถอดเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าทิ้งไปแต่งตัวตามชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่เคารพในพระพุทธศาสนานั่นจริงจะสมควรถ้าเราอยู่ในเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตาม ไปดีเสมอดีตามแบบไหนคือตีตามแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ดีตามใจโลกโลกเขานิยมยศถาบรรดาศักดิ์เราจงอย่านิยมโลกเขานิยมความร่ํารวยเราอย่านิยมโลกเขานิยมการสนเสริญไม่ชอบการนินทาเราอย่านิยม โลกเขาติดในสุขแล้วก็เบื่อในทุกเราจงอยาเป็นอย่างนั้นจงเป็นผู้รักรู้จักตนไว้เสมอ <c oughs> ด้านสาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรไว้ด้วยชีวิตนีก่กิจของพวกเราที่เรารวบรวมกําลังกายกําลังใจสร้างสถานที่ขึ้นมานอกจากสถานที่นี้แล้วก็ที่อื่นๆเราสร้างกันมามากแล้ว ได้นําวตารรมสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบพเที่ยแก้วออกหินแจกกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายจงอย่าเป็นผู้สอนแต่บุคคลอื่นจงสอนตัวเองด้วยช่วยกันสอนตัวเองให้มากแล้วต่อไปจะเข้าถึงบธรรมะวินัยขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอย่าจงอย่าคิดว่าตัวดีแล้ว เมื่อไรถ้าเราคิดว่าตัวเราดีแล้วจงคิดตรงทราบด้ยวยว่าเวลานั้นเราเลวเต็มที่หาที่ดีไม่ได้นี่คำว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนก็ตามไปดีแล้วทุกประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิตณมานไม่ใช่ว่าไปไหนก็จะถูกแต่มีแต่คนเขาสเสริญเย็นยอถวายความเคารพ องค์สมเด็จพระนารายณ์ศพก็ถูกลกลั่นแกล้งโดยการทั้งปวงเช่นเดียวกับพวกเราเหลา่าพุทธบริษัทที่า ก, ากำลังกระทบกระทั่งกันอยู่เวลานี้จงทำจิตวางเฉยนึกถึงองสมเด็จพระชน า, าสีบรมัยศาสัญดาสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ถูกพระเทวทัตที่โรองค์มีพระคุณหนักทรยศ ที่แค่บทแต่พระองค์สแสดงความอัตตันยูไม่รู้คุณถึงก็ข้ากล้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าและยุยงสงทั้งสองฝ่ายให้ส่อออกแต่ก่อมาเป็นสองฝ่ายสองเหล่าสองพวกอย่างนี้เขาเรียกว่าสังฆเพิแต่บุคคลบนใดที่เขาประกาศตัวว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบร ม, มโลกกาเทพเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กจงอย่ายอมรับนับถือบุคคลประเภทนั้น ว่า น, นั่นเราคัดค้านคำสั่งสอนเของค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสย์ดาถ้าเรายอมตามนั้นเราไปที่ไหนแล้วก็จะประยุให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาแตกแยกกันไม่เป็นการสุมควรเราจะเป็นผู้มีความสามารถีมีความดีเมื่อเรากลมเกลียวซึ่งกันและกันแล้ว เราไปทางไหนเราก็เอาคําความดีข อ, ององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทและประชาชนที่มาแวดล้อมเรานํำมาความดีคือคําความสมามัคคีนี้ไปแจ้งแก่เขาตามที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้วไปทางไหนจงอย่าเป็นผู้มีเวรมีภัยกับใครอยู่ที่ไหนสร้างความเจริญที่นั่นตามที่โบราณิ้งกล่าวว่า ไปอ ย, อยู่กับท่านอย่าดิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายเนี่ยว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าอยู่เฉยมีกิจอันใดทําพร้อมใจกันทําสร้างความดีกันเข้าไว้อย่ามองในด้านความชั่วของการอะไกันให้ดัานได้กแกล้งกล่าวหาความชั่วสิ่งอะไรกรันเพ่งโทษสิ่งอะไรกรันนี่ต้องสแสดงว่าใจเราเหลวมาก ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาตเจ้าข้อที่ห้าท่านกล่าวว่าโล ก, กวิภูเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือรู้จุดของโลกว่าหาจุดจบไปได้โลกมีแต่ความทุกข์คำว่าโลกมีอันใดต้องที่จะต้องชิบหายไปจะเป็นโลกมนุษย์เทวโลกโรมโลกก็าตามมันไม่จีรังอย่างเงยนืนไปอ น, นิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขังคือมีอาการที่จะเคลื่อนไปกำลังใจมันก็มีความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตัวเพราะโลกนั้งสามเต็มไปด้วยความชั่วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้หนีไปพระนิพพานเรารู้ตามท่า น, า, านเสียใช้ปัญญาญาณพิจารณาให้เข้าใจตามนี้เพื่อคุณทำดีหกโบราณเร่งกล่าวไว้ว่าอนุตตรบุริธรรมาสาณิ ท่านเป็นสารถีฝึกบุรุษฝ่าบุรุษพึงฝึกได้ไม่มีบุรุษอื่นยิ่งไปกว่าหมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสนนาทรงเป็นครูอย่างยิ่งจะมีครูใดสอนไปยิ่งดียิ่งกว่าพระองค์หรือเสมอเหมือนพระองค์ก็หาม่ได้ในฐานะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เนือว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรรับฟังมายังไงฝึกคนแบบนั้นสอนตามท่านสอนอย า, ฝ, าฝ่าฝืนคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสพระพุทธเจา้าปฏิบัติตนเองให้เป็นตัวอย่างกบันดาท่านพุทธบริษัทจงรักษาไว้แต่ความดีอย่าให้มีความชั่วเข้ามาสิงใจ การอิจฉาและัญญาเสี่งกันอะกันเป็นเหตุร้ายบรรดาท่านพุทธบริษัทการมุ่งร้ายเสี่งกันอะไรกันก็เป็นเหตุร้ายเหมือนกันฉะนั้นขอทุกท่านจงวางความชั่วของใจในเสียหันมาเลิกนึกถึงแต่ความดีจะเห็นเพื่อนกันไม่ดีตรงไหนก็แนะนํากันไปตามที่เราจะพึงทําได้อย่าทําอะไรให้มันเกินมีสัยหรือเกิดอำนาจ อย่างนี้จะถือว่าไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภะมีความดีข้อที่เจ็ดโบราณเร่งกล่าวว่าสัทธาเทวมนุษย์นัง่งพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสนราส์ญญาของเทวดาและมนุษย์คําว่าศาสตร์สัญญาในที่นีแ้แปลว่าครูเป็นอันว่าเป็นครูสอนทั้งเทวดาทั้งพรหมและมนุษย์ทั้งหมด เราเป็นครูเทวันดาเราเป็นครูครูพรมเราเป็นไม่ได้แต่เราจะเป็นครูมนุษย์ทั้งหลายก็ดูก่อนถ้าใครเขาดีกว่าเราเรายกให้เขาเป็นครูถ้าเขาดีไม่ถึงเราเราก็พยายามเป็นครูเขาแต่การเป็นครูเขาต้องนำอวัธธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกทางไปสอน อย่าไปสอนให้คนติดลาบติดยศติดทัเสื้อนติดสุขในกามาสุขอย่าสอนให้เขาว่าเขาเขาวันไหวในเมืม่อลาบสลายไปยศสลายไปนินทาเกิดทุ่งความทุกข์เกิดขึ้นอย่าให้เขาวันไหวถือว่าเป็นโลกธรรมดาแ้่เราก็จงทําใจของเราเองให้เป็นเช่นนั้นด้วยช่วยพระพุทธเจ้าสอน เราดีเท่าท่านไม่ได้ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าช่วยพระองค์สอนบ้างยาวเปรียบพระองค์พุโทโธแปลว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วนี่เป็นความดีข้อที่แปดพระพุทธเจ้าทรงตื่นอยู่เสมอเบิกบานอยู่เสมอไม่มีความเศร้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตลอดเวลา มีจิตใจเรื่นเริองอันสาไม่เศร้าใจเมื่อหลาบสลายตัวไปเมื่อยศสลายตัวไปทุกเกิดขึ้นนิท่าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่เคยหวั่นไหวดูแต่นางพระนางมาคันดียาจ้างคุณตามด่า พ, พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงหวั่นไหวเวลานั้นแม้แต่พระอริยสงฆ์งหลายมีพระอนนุ์เป็นต้นเว้นไว้แต่พระอาหารหัน์ ท่นนั้นหลายเรานั่งเกือบจะทนไม่ไหวความจริงทนกันไม่ได้แล้วพระอนนท์จึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรัณฑแก้วว่าพันเตภะควาแต่ข้าแต่งองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญบ้านนี้เมือง น, นี้ค้นด่าเราเราย้ายไปเมืองอื่นดีกว่าองค์สมเด็จพระบรมศาเสนาจึงได้มีพระพุทธฎีกาจะ ถ, ถามว่าอันาอ น, นันทะเราจะไปไหน พระนอนุนก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไปเมืองอื่นไว้เจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสดาที่ได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าทุกทุกเมืองเขาด่าเราเราจะไปไหนล่ะอ น, น, นุนพระนอนนก็จนใจแลวองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ตัดว่าอานันทะดูก่อนอ น, นุน อดนนีก่อนคือว่าคดีเกิดขึ้นที่ไหนถ้าอดีก่อนคือเรื่องนั้นไม่หมดไปเราจะยังไม่ไปที่อื่นเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์นี่อันนี้เราจงจําไว้บรรดาท่านพุทธศาสานิกชนทั้งหลายถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นที่ไหนในที่นั้นเรื่องยังไม่ระงรับเราไม่ควรไปถ้าเราไปแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ผิด ถ้าว่าเรื่องนั้นแปลเมื่อไราเราจึงจะไปดูตัวอย่างนางมีสาขาเพ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อผัวเป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวร้ายดยประการทั้งพวงขับให้เธอออกจอากบ้านเธอบอกเธอไม่ไปเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะต้องชำระกรันสก่อน เมื่อชำระเธอชนะแล้วเธอก็ทำท่าจะกลับเพื่อเตรียมตัวกับในที่สุดพ่อหัวก็ต้องงอ้อเขาไว้นี่เราจะเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรยคือพระพุทธเจ้าและนางวิสาขาอาธิกรณ์เกิดขึ้นที่ไหนถ้าธิกรณ์ยังไม่ระงับเพียงใดในฐานะที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะยังไม่ไปจากที่นั้น แม้แต่ตัวของเราจะตายก็ตามทีเราจะยึดหลักคุณธรรมขององค์สมเด็จพระจินสีไว้ที่นี้เอาไว้ด้วยชีวิตเราจงอย่าหนักใจในคณะในพวกของไม่มีความจำเป็นเราตายเราตกนรกเราขึ้นสวรรค์ใครช่วยเราไม่ได้ตัวของเราเองเท่านั้น ที่เราจะช่วยตัวเราได้ถ้าเรายังถือพวกถือพ้องถือหมู่ถือคณะเขาเลวเลวตามเขาเขาดีดีตามเขาถ้าเขาดีดีตามเขานี่ควรจะปฏิบัติถ้าเขาเลวจงอย่าดเลวตามเขาเราเท่านั้นเป็นที่พึ่งตัวของเราเองเราเกิดมาใครเป็นผู้เลี้ยงเรา เราเป็นผู้เลี้ยงตัวเองก็หมายความว่าเราทำดีให้ชาวบ้านเขาเลื่อมใสเชื่อก็ทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมาสาเสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้านี่ชาวบ้านเขาจึงได้เลี้ยงเราความดีที่ชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเราเขาเลี้ยงพ่ออะไรตัวหนึ่งก็เห็นผ้ากาสาวาผัด สองเห็นปพระว่าปฏิบัติตีตามคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จประสงเสววสดิโสภาคแต่คนในโลกบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรและบาวสุกุบาศิกาทั้งหลายยงอย่าคิดว่าเขาฉลาดเสมอไปคนใดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเห็นดีกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิร่วมกัน เราจะนำเอาวิธรรมคําสั่งสอนนจริยาวัดที่องค์สมเด็จประสงค์ทันบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแนะนําเขาแล้วปฏิบัติในเขาเห็นเขาก็ไม่ชอบแต่ก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเดือดร้อนเขาเราปฏิบัติตามทางทางของเราที่เป็นพุทธสาวกดีกว่าม้วยคุณความดีที่เรียกว่าพระกรวาเป็นข้อกล่าวแปลว่าเป็นผู้มีโชค มี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดเมื่อถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็สุเป็นผู้มีโชคคือหมดดีเลสหมดทุกข์ถึงไม่ปจะถูกด่าถูกว่าก็ไม่มีทุกข์เลิกทุกข์เส็จแล้วองค์สมเด็จพระบทัทฑิตแก้วไม่มีความหวั่นไหวและองค์สมเด็จพระจอมไตรขันห้าพังที่เราเรียกกันวันิพพาน ตอนนั้นระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านความสุขใหญ่ก็มาถึงนี่เปรย์คุณของพระพุทธเจ้าถึงเก้ารายการนี้บางอย่างเท่านั้นที่เราปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ควรจะปฏิบัติได้เราตจะรู้เองไม่ได้เราก็ทําตา ม, ามเรียกว่าอนุพุทธะในฐานะที่ท่านเป็นพระก็ดีเป็นเลงก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาในเขตของพระพุทธศาสนา เราจงอย่าถือว่าเขตนี้เป็นเขตของธรรมยุทธหรือว่าเขตของมหานิกายเราควรจะถือ ว, ว่าเป็นเขตขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมราชาธิเาเราอยู่ ก, กลางๆดีกว่าเราไม่เป็นทั้งธรรมยุทธ์แล้เราไม่เป็นทั้งมหานิกายถ้าทั้งสองฝ่ายเขาไม่ดีแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและทั้งสองฝ่ายดีเราก็เป็นทั้งธรรมยุทธ์แล้วก็เป็นทั้งมหานิกาย เป็นยังไงละบรรดาท่านหลายเป็นที่ท่านหลายเหล่านั้นท่านดีกันท่านสร้างความดีเราดีด้วยช่วยกันดีเราเป็นพวกกับคนดีเท่านั้นเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับหมู่คณะหมู่ใดคณะใดเราเป็นเพื่อนกับความดีนี่จึงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จปัญญาสีบรม า, ามารสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหมูอของเราคณะของเราทั้งครรวาทั้งพระทั้งเนรยาสร้างอาการยุแยงแต่แข่งแสหาความผิดสิ่งกันละกันมันจะมีความเดาร้อนถ้าเราทําดีไม่ได้ถอยล อ, อกไปถ้าจะเข็ดเข็ดนี้เป็นเข็ดพระองค์สมเด็จพระบรมโลกระเทศไม่ต้องเกรงว่าคนดีเขาจะอดตายคนชั่วยอยู่ที่ไหนสร้างความเดือดร้อนที่นั่น จงอย่าปฏิบัติตนเป็นคนชั่วเราชั่วแล้วเรามีแต่ความเราร้อนธรรมะอันใดระเบียบอันใดข้อหมู่คณะและองค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าสอนไว้ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนอย่าทำตนเป็นคนคนก่อกวนนี่ลูกของฉันนี่หลานของฉันน้าพี่ของฉันน้องของฉันใครแตะต้องไม่ได้ อย่างนี้จดทราบว่ากำลังใจของเราเลวมากเกินไปท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ความดีดีต่อไปในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินทสีนั่นความดีของพระพุทธเจา้าเราต้องปฏิบัติตามแล้วเมื่อปฏิบัติตามแล้วจุดของมันของของความดีจะเข้าทึงไหนไปดูในสังคขปข้นก้าข้อที่หนึ่งว่าสุ ป, ปฏิบันโน เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะชื่อว่าสุ ป, ปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนแปลว่าผู้ปฏิบัติดีก็ได้ปฏิบัติชอบก็ได้คําว่าปฏิบัติดีนี่ต้องอาศัยธรรมวินัยเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าไปฟังชาวบ้านเขาพูดกันไม่นั่นดีอนี่ดีแต่ขัดตกต่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสี นี่จงอย่ามาใช้ในหมู่คณะของเราเราปฏิบัติในที่ในทุกข้อใหญ่บกพร่องธรรมะทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ารับรองปฏิบัติให้ครบทมจิตให้จบคำว่าสุ ป, ปฏิปันโนนีหมายถึงว่าเราจะเข้าถึงหรือว่าเข้าถึงความเป็นประโสดาบันนั่นเองในโอทู ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ตรงตามประธรรมคำมาสองสอนขระองค์สมเด็จพระปที่แก้วไม่ละเมิดวินัยทรงพระธรรมครบอันนี้ท่านเด็กว่าพระสกิทาคามีนี่ควรยาการบูชานะด้ยก็ดีสามยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม อันนี้เรื่องของพระอนาคามีแล้วคือตัดการมราคะปฏิฆาความกระทบกระทั่งใจความโกรธความพเพียรบัตไม่มีกรมราคะไม่ปรากฏมีในใจของเราจิตทรงธรรมตลอดเวลาคําว่าอากุศลธรรมย่อมไม่ปรากฏการติดราติดยศติดต้นเส้นสุขย่อมไม่มีนี่เป็นความดีของความผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมีผลตามนี้ที่เรียกกันว่าพระอนาคามี และข้อที่สีว่าสามีจิปฏิบันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรอันนี้หมายควารรมความนีว่าความเป็นพระอรหันนี้ถ้าปฏิบัติตามคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าทั้งเก้าประการตามที่กล่าวมาแล้วเราก็จะมีความดีตามคุณธรรมที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสอน ที่ว่าเป็นเ บ, บโซนาสกิทาคานาคาพราหันที่ล่สุดนี้นว่าสุปฏิปันโนแปลว่าผู้ปฏิบัติมีแล้วอุชุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจีปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนีบุคคลนี้ก็ ป, ปฏิบัติธรรมมีผลตามนี้คือมีความเคารพในพระธรรมวินัย เชื่มท่านเข้าถึงความเป็นระโซดาสิกทาคานาคารหันจึงเป็นผู้สมควรแก่คุณธรรมที่เขาควรจะกลับไว้ตามที่เขากล่าวในพระบาลีว่าอาวุณโยเป็นผู้ควรแก่ข อ, ของคํานับหมายความว่าของที่เขาจะมาให้เนี่ยถ้ายังไม่ถึงเบโซดาบันนี่มันไม่ควรแต่ว่าพระแต่งตั้งเนี่ยไม่สําคัญสําคัญอย่างเดียวคือพระละกิเลศ ตามบคาที่ก็แต่งตั้งไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเราก็จงวางท่านไว้เสียจะปฏิบัติตามท่านเพราะเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงท่านบรมศาสนนาเราไม่ใช่สาวกของอรารชีผู้ไม่มีความละอายต่อความชั่วที่ทําตัวให้ทําให้พระพุทธศาสนามัวหมอ ง, มองทําให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความกระทบกระเทือนใจ เราก็จงจะเห็นว่าคนมากคนน้อยมีความสำคัญเราเอาคนดีกันดีกว่าแต่เรามีคนชั่วเป็นเพื่อนพันคนเราก็มีทุกพันรายแต่เรามีคนดีเป็นเพื่อนหนึ่งคนเราก็เป็นสุขสบายตลอดชีวิตแต่หาใครดีไม่ได้เลยเราก็คิดอยู่คนเดียวดีกว่าเอาความดีตามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนจงจาไว้ บ่าพวกท่านนั่นหลายจงอย่าเอาชั่วนีะวารวะปางท่านตาที่เคยเห็นมาถือลูกถือหลานเกินพอดีเราบวชเป็นพระเป็นเนรและบรรดาท่านน่นหลายขาดจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วคำว่าขาดในที่นี้หมายถึงว่าเราเป็นสายกายบุตรพุทธจีโนโรสเป็นลูกพระพุทธเจ้า